นะโมตัสสะทัททวะโตโอระระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตโอระระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โอกาสต่อไปนี้จ <c oughs> ะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนของมสมเด็จัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายพอเป็นเชี่ยงระดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายมีความสนใจในการฟังธรรม นอกจากจะสนใจในการฟังแล้วยังสนใจในการทำคือการปฏิบัติด้วยเท่าที่สังเกตในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามีผู้ฟังและมวยมีผู้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีกามสติดโดยเฉลีย่ย ที่วัดตาสารวันก็มีผู้ไปศึกษาทัานไม่เล่ากว่าวันละห้าสิบคนแต่และท่านที่ไปศึกษาก็ยังเป็นพวกประเภทที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัสาวส่วนคนแก่ๆ ก, ก็มีบ้างาปลายไม่ค่อยมากเหมือนหนุ่มๆสาวๆ และพวกหนุ่มสาวทั้งหลายที่สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมส่วนมากจะเป็นชนชั้นปัญญาชนและผ่านการศึกษาอย่างน้อยระดัอบอนนปริญญาตั้งแต่อนนปริญญาจนถึงปริญญาเอกที่นี้ถ้าพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ของท่านเหล่านั้น ก็ต่างใจระดับเสมียนจนกระทัองถึงข้ราราชการชั้นพิเศษเจ้ากรมถึงรัฐมนตรตีนี่ก็ชอแสดงว่าธรรมะกำลังพุ่งขูหรือกำลังถูกพุ่าเฟ้นขูขึ้นมาท่านนี้ก็เห็นอย่าเป็นเพราะว่าประชาชนพุทธบริษัท มีความเข้าใจของคำว่าธรร ม, มะมีความเข้าใจในคำว่าธรร ม, มะใกล้ต่อชีวิตประจำวันมากเท่าทุกทีทุกทีจนรู้สึกว่าเราอาจจะได้คาตอบเมื่อมีผู้ถามว่าธรร ม, มะคืออะไรธรร ม, มะก็คือชีวิตประจาวัน หรืออีกอย่างหนึ่งธรรมะก็คือการงานการงานก็คือชีวิตประจำวันนั่นเองคนเราทุกคนนี่เป็นอยู่ด้วยการทำงานเราจะทำงานทั้งหลับทั้งเวลาหลับทั้งเวลาตื่นเวลาตื่นเราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่เวลานอนหลับเราทำงานโดยอัตโนมัติจิตของเราก็ยังต้องคิด หัวใจก็ยังเต็นออกก็ยังสูดลมหายใจอันนี้คือการทำงานเราะน้นชีวิตก็คือการทำงานงานก็คือชีวิตและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าสิ่งเหล่านั้นอธรทมแล้วมันเป็นธรรมได้อย่างไรในข้อที่ว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะ อะไรในทำนองนี้ที่เรียกว่าธรรมะก็เประเหตุว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเครื่องโลกของจิตเป็นเครื่องเ ล, ล็กของสติและเป็นพื้นฐานที่ให้ที่เป็นเหตุให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีอยู่และมีความเปลี่ยนแปลงและแสดงความจริงให้ปรากฏตลอดเวลา แม้แต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันก็แสดงความจริงให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาคือการสูดลมออกสูดลมเข้าาใจที่เรายังมีการสูดลมออกลมเข้าความจริงมันก็ปรากฏคือเราต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเราหยุดหายใจเมื่อไหร่หยุดสูดลมออกลมเข้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมายถึงความสิ้นสูญแห่งชีวิต คือตายนั่นเองเราจะนั้นในคำตอบที่ปัญหาก็ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือชีวิตนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแน่นอน <c oughs> อีกซ น, นหนึ่งการที่เรามาศึกษาธรรมะนี่ที่ว่าศึกษาให้รู้ความจริงของชีวิตเราควรจะได้ทราบคำว่าสภาวธรรม สภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดเรียทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาล น, นียตั้งแต่อโนปรมานูหรือมวลสารที่เกาะกลุมกันเป็นก้อนใหญ่โตจนหาประมาณไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นคือธรรมะด้านสภาวะธรรม ธรรมะด้านสภาวะธรรมนี่เขาย่อมมีปรากฏการแสดงความจริงให้เรารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเราจะสามารถำกำหนดรู้ทันหรือเปล่าเพราะทุกจริงทุกอย่างมีปรากฏการเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวอันนี้เป็กฎธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาให้รู้ทีนี้ภายในตัวของเราเนี่ย เราก็มีตายกัดใจกายกัดใจเนี่ยในเว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ตรัสใจเราก็จะมีชีวิตเป็นอยู่ตรัสนั้นเมื่อมีกายมีใจแล้วเราต้องมีส่วนประกอบคือตาหูจมูกเล่นกายหลใจตาหูจมูกเล่นลใจไหลใจบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านว่ายินสี่หกบางทีก็ว่าปัตตู ซึ่งสุดแท้แต่วัวหารของพระองค์ท่านจะรับสั่งมาเป็นประการใดทีนี้ถ้ามุ่งถึงความเป็นใหญ่ก็เรียกว่าเอ็นีหกตาหูจมูกเล่นตายละยใจเขาต่าง ม, มีความเป็นใหญ่ในหน้าที่ของเขาแต่ละอย่างละอย่างจะเศ้าตายตันไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์เราธรรมดาธรรมดาซึ่งบางทีอาจจะเศ้าตายหน้าที่ของกันและกันได้ เจนิตาหูจมูกเล่นตายใจเขามีหน้าที่เฉพาะตัวใครจาหูนี่จะอุตริไปดูแทนตาเชิญเลยไม่มีทางเจนตาจะทำบุตริมาฟังแทนหูก็ไม่มีทางที่จะทำได้เพระอาศัยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสมมติปัญญัตว่าอันนี้คืออินทรีย์คือความเป็นใหญ่เฉพาะตัว ในบางครั้งท่านก็กล่าวว่ามันเป็นประตูประตูในเมื่อสิ่งนั้นเป็นประตูตาหูจมูกเล้นกายลนใจที่เรียกว่าประตูเพราะมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้าทางหูเลี่นผ่านเข้าทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกาย ทำมาลมผ่านเข้ามาทางจิตใจที่ในสิงทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาเนี่ยถ้าเรากำหนดตัวให้มันดีๆแล้วที่เรารู้ว่ามันผ่านออกผ่านเข้าอยู่เนี่ยใครเป็นผู้รู้ก็จิตใจของเรานั่นเองแหละเป็นผู้รู้ สิ่งที่รู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นสภาวธรรมกายใจเป็นสภาวธรรมตาโหูจมูกเล่นใจไหลใจก็เป็นสภาวธรรมสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาโหูจมูกเล่นใจไหลใจก็เป็นสภาวธรรมโดยที่สุดแม้จะแมวใจผู้รู้ก็เป็นสภาวธรรมอีก สิ่งที่เป็นสภาวะธรรมนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏให้เรารู้เห็นอยู่นี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสตินับปฏิบัติธรรมนับศึกษาธรรมเอาใจมาลูกับสิ่งเหล่านี้ท่านสติกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา เราก็เลยชะว่ามีการปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลามาตอนนี้มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมอยากจะขอตับเรื่องราวิธีการปฏิบัติธรรมซึ่งเราเคยได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้วเช่นบริกรรมภาวนาบั่น เลอการพิจารณาอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายสังขารบ้างซึ่งเป็นส่วนภายในอยา่าจใชีความหมายแห่งสมาธาว่าทำให้มันกว้างๆออกไปเพื่อเราจะได้มีทางปฏิบัติรรมให้กว้างขวงออกไปยิ่งกว่าที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเข้าใจว่าจริงใดที่เราสามารถโลดด้วยจิต หรือสิ่งใดที่เราสัมผัส ด, ด้วยตาหูจมูกเล่นกายใดใจตังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าใจว่าจะเป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติได้ในเมื่อเป็นเช่ น, นั้นเราก็ควรจะเอามาเป็นอารมณ์ปฏิบัติธรร ม, มาฐานได้ถ้าอย่างสมมติว่าใครสักท่านหนึ่งอาจจะดอดถามขึ้นมาว่าข้าพเจ้าเรียนมาทางหมอมีความรู้ทางแท จะวิชาทางแพทย์มาเป็นอารมณ์ภาวนาสมาทานเนี่ยไม่ต้องเอาพุทธโธลยยุบหนอเขอ้าหนอจะใช้ได้ไหมคนตอบก็คือว่าได้ทำไมจึงต้องได้พรวิชาหมอวิชาแพทย์ที่เราเรียนมานั่นมันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นไยลยใจ ในเมื่อความโลภอันใดที่ผ่านก็มาทางต า, งางหูจมูกเส้นตายใจกายใจเป็นสภาวะธรรมสิ่งที่กายโลภใจโลภเล่ยสัมผัสโลภมันก็เป็นสภาวะธรรมมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องวิศกรอมมาเป็นอารมณ์ปฏิบัติสรมท า, านได้แม้ว่ารจะเกลี่ยมาในศาสตร์ไหนอย่างไรก็ตาม จะเป็นวิทยาศาสตร์แพทยศาตร์นิติศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เราตกเอาไว้เราเลิกวิตกเอาหัวข้อวิชาตานที่เราเรียนมานั้นแล้วเอามาเป็นเครื่องพิจารณาของจิตซึ่งมันเป็นวิชาที่เราเรียนมาลู่มาสอนแล้วมันคล่องตัวง่ายดีเช่นอย่างเราอาจจะเลิกว่าวิชาแพทย์คืออะไรและมีความสัมพันธ์กับชีวิตของเราอย่างไร เวลาเราจะรักษาคนไข้จะรักษาอย่างไรวางแผนไปอย่างไรอะไรนะั้นในทำนองนี้ซึ่งเรายกเป็นหัวข้อขึ้นมาตั้งเป็นปัญหาล้วก็คิดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะคิดจกระทั่งเดตของเรามันสงบรอบผามคิดอันนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ เราบริกรรมภาวนาพุโทโธโพธโพโก็ความคิดเหมือนกันยบหนอทองหนอก็ความคิดเหมือนกันสัมมาอรหังก็ความคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องความคิดที่เราเรียนมาเนี่ยเอาวิชาที่เราเรียนมาทุกอย่างมาเป็นความคิดเนี่ยมันก็เป็นความคิด ในหมอสิ่งนั้นเป็นความคิดสิ่งนั้นก็เป็นเครื่องโูดของจิตเครื่องระลึกของติททำไมเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานไม่ได้บางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีควาว่าธรรมะเจือปนอยู่เลยแล้วเราจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมาฐานได้อย่างไร ในสมัยที่อาจามยเป็นสามเณรน้อยเรีย น, น, ย เ, รยนเรียนธรรมบทแต่ภาษาบาลีอาจารยพบเรื่องหนึ่งว่าช่างไม้นั่งถากไม้อยู่เอาการถากไม้เป็นอารมณ์กรรมฐานรงปัญญาลงสู่พระใจรักษพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาไปสำเร็จละอรหันนวดกันการถากไม้มีคำว่าธรรมะเจือญปุณอยู่ด้วยไหม มีเคนหนึ่งนั่งทอหูกอยู่เขมาพิจารณาชีวิตของตัวเองเกียบเที่ยวกับการทอหูการทอหูนี่มันหดสั้นเข้าไปเรื่อยชันใลยชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วก็ได้ความสลดสังเวชได้สําเร็จพระอรหันต์การทอหูมีคําว่าธรรมะด้วยต่อมีท่านผู้หนึ่งดินทางไปเห็นพยักษ์แดดโดนเมษามันร้อน มองเห็นพรนพะพระยับแดดมันเกิดความละเอยดระยักขึ้นมาก็าไปตรองปัญญาว่าอ้อพระยับแดดนี้มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้เนาะจิตก็ได้ความสังเวชไปสํเปาเร็จปั้งอรหันต์พรยับแดดเนี่ยมีคําว่าธรรมะเจอเจอผลอยู่ด้วยหรือเปล่าที่นําเรื่องต่างๆที่มาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังเนี่ยอาตมาภาพใหญ่แก้ไขเข้เข้ า, ขาขใจบรรดาสังคมนักศึกษาธรรมะ ท, ทั้งหลาย เช่นอย่างบางทีว่าสมสถะประิพัฒนามีมีในต่างกันอย่างไรวันไปคิดใก็ได้ยินคําถามคําตอบในเทศคําว่าสมสถะปริพัฒนามีอะไรมีความต่างกันอย่างไรถ้าจะให้ท่านตอบตรงตามความหมายกันจริงๆ สมาธิกวิปัสสนาต่างกันแต่วิธีการแต่จบเน่วงหมายก็คือความสงบท่านจะตั้งเจดูค้อข้อแท้จริงเท่าที่ท่านปฏิบัติผ่านมาก็ได้ถ้าอยากจะรู้ข้อแท้จริงที่เราไม่ต้องสงสัยให้สลัดแ บ, บคทิ้งเอาไว้สักก่อน การปฏิบัติสมถะกรรมฐานตามความเข้าใจโดยทั่วไปคือบริกรรมภาวนาและการเพ่งประสิทธิ์หรือนึกอยู่เสียงใดเสียงหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรื่องเป็นเป็นเป็นเพียงสิ่งเดียวหรือนึกถึงลมหายใจนึกถึงโสมกระดุกเป็นต้นแล้วเป็นการนึกอยู่เฉพาะจํากัดในวงจํากัดเฉพาะสิ่งสิ่งหนึ่ง เช่นอย่างไม่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธกนนั้นอยู่ที่พุทโธพุทโธอันนี้เป็นวิธีการปฏิบัติแบบสมถะแต่พระท่านผู้ใดมีความคิดมากสามารถที่จะคิดมากวิโตกถึงวิชาความรู้ที่เรียนมาอย่างที่เสนอแนะไปเมื่อสักครู่นี้เช่นอย่างเรียนวิทชาอวิชชาวิทยาศาสตร์มาก็ไม่ถเก่งพอก็วิทยาวิทยาศาสตร์ เราก็ตั้งคำถามตัวเองต่อบตัวเองไปเรื่อยว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรในมื่อตอบไปได้แล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์อย่างไรต่อข้อไหนก็เพรอะไรเพราะอะไรก็รา อ, อะไรถามตัวเองต่อตัวเองเรื่อยไปหรือเราจะน้นอมเอาร่างกายของเรามาวิจอบึ้นมาว่าร่างกายของเราเนี่มันประกอบด้วยกันห้าลูกเฟทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แล้วก็มาใช้ความคิดว่ารูปังโลกไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาเกี่ยวกับเรื่องโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่ยอยไปการปฏิบัติแบบใช้ความคิดพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิปัสนาสรมมฐานหรือปฏิบัติแบบวิปัสนาสรมมาาน ถ้าจะต้องการความให้มันเข้าใจอย่างชัดเจนก็คือว่าบริกรรมภาวนาคือปฏิบัติแบบสมถะการปฏิบัติ้วยการใช้ปัญญาค้นคิดพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อเป็นอุบายให้จิตสงบเป็นการปฏิบัติแบบวิปัสนาทั้งสองอย่างนี่แหละการนึกอยู่สิ่งสิ่งเดียวก็ดีหรือการพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวก็ดี มุ่งสู่จุดแห่งความสงบตั้งมั่นของจิตในแนวแห่งสมาธิเพราะทั้งสองอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วจะทำให้จิตสงบเหมือนกันไม่เชื่อทดลองดูก็ได้เพราะฉะนั้น้อตนแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันเฉพาะวิธีการ แต่ถ้าจะถามว่าตอนปฏิบัติด้วยบริกรรมภาวนาเนี่ยกับการใช้สติปัญญาพิจรารณาเมื่อผลเกิดขึ้นแล้วจะมีในแตกต่างกันบ้างไหมอันนี้มีข้อแตกต่างกันดูบ้างตอนบริกรรมภาวนาบางทีจิตสงบลงไปแล้วก็เปนเน่งจิตี่ยอยู่ที่สมถะสรรมฐานที่ท่านว่าบริกรรมภาวนานี่ได้แค่สมถะธรรมฐานถูกต้องตามที่ท่านว่า ส่วนน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ใช้วตจิปันดาเริ่มต้นพิจารณาเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยไม่ต้องบริกรรมภาวนาเมื่อเจสงบลงทำให้เกิดนี้ปีติมีความสุขแล้วก็มีสมาธิอย่างเดียวกันกับบริกรรมภาวนา ผู้ทีใช้ความจิตนั้นในเมื่อในเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วจิตจะเดินวิปัสสนาได้เร็วกว่าผู้ที่บริกรรมภาวนาเราจะนั้นทั้งสองอย่างนี้อย่าข้องใจใครจะบริกรรมภาวนาก็ได้จะใช้สติปัญญาพิ่เจรณาก็ได้แต่ว่าขอเตือนไว้อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ อาจจะเป็นเรื่องนอกตำราไปสักหน่อยหนึ่งการทำสมาธิการปฏิบัติสมาธทศต้องพยายามให้สัมพันธ์ตับงานในชีวิตใะจำวันที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเช่นอย่างสมมติว่าท่านขับรถท่านภาวนาพุทโธ ในขณะที่ขับรถภาวนาโพธิโทท่าางว่าจิตสงบลงไปแล้วมันไปอยู่กับโพธโทไม่สนใจกับการขับรถถ้าลองหลับตาเน็กดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องขับรถไปอย่างไม่มีสุดหมายปลายทางถ้าร้ายไปหน่อยถ้ารถสวนมากๆบางทีอาจชนเกิดอุบัติเหตุอันนี้ลองปิจดจร้ปราดู เป็นประสบการที่ได้ยินได้ฟังและเคยได้พบเห็นมาแล้วด้วยตนเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธินี่ถ้าพยายามทำสมาธิจดสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตประจำวันได้เนี่ยจะดีที่สุด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้กล่าวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องเล็กขอ ง, อ ง, ลลของสติการปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เราทําสติรู้อย่างเดียวขอบอกว่าไม่มีพิธีรีกองอะไรทำสติรู้อย่างเดียวเรื่องพิธีรีตองนั้นตัดออกไปสักก่อน ถ้าเราจะทําให้เป็นพิธีนั่นเอาไว้ทําตอนเช้าตอนเย็นที่เรามีไหว้พระโสดมูลประจำวันแต่ถ้าเราจะทําในขณะนี้ขณะนี้ท่านฟังเทศท่านอาจจะทําสติกับการฟังเทศเอาเสียงเป็นเครื่องโูดของจิตเครื่องระลึกของสติถ้าทาตำตามหลักจดต้องฟังอยู่แม้ว่าท่านจะจําคํำพูดไปได้ทุกคํา ท่านอาจจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาว่าเสียงนี่มันก็มีสูงสูงต่ำต่ำมีหนักมีเบาแล้วก็มีสั้นมียาวแ้เดี๋ยวท่านก็รู้อ น, นิจจังทุกขังอนาาัตตาขป็นมาด้วยการกาหนดรูปปัจจุบันหรือแม้โดยที่สดท่านอาจจะกาหนดรูปความเป็นอยู่ในปัจจุบันของท่านท่านนั่งนานๆานแล้วมันปวดหลังนั่งนานๆแล้วมันเมื่อยนั่งนานๆแล้วมันง่วง ในวาร้สึตตัวขึ้นมามีสติแล้วท่านอาจจะได้รู้ธรรมจน ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้แหละย่อมมีการเปลี่ยนแปลงยัด้ายอยู่ตลอดเวลาพอเข้ามาในห้องนี้ในตอนแรกจะเปิดอากาศเย็นาาาาขเขียบพอรลของแอร์ขอขากาศเข้าความอบอ้าวมันเกิดขึ้นจากเปลี่นไอของกันหละกันบางทีอาจจะเกิดความร้อน ทนี้บางทีพราที่พูดที่เทศตวนี่บางทีตอนแรกๆอาจะรู้สึกว่าเออหน้าฟังฟังไปฟังมามันเน็ดเนื่อยแล้วอาจจะเกิดลคาคังขึ้นมาก็ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็เหตุการณ์ในปัจจุบันที่มันจะเกิดขึ้นซพื่แสดงให้เรารู้ธรรมะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราจะ ทำสมาธิให้มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดอย่าให้มันห่างกันในมหาสติปัฏฐานท่านก็ให้กำหนดนเดินนั่งนอนกินดืน่มทำผูกคิดทาสติอย่างเดียวทีนี้ในสี่เงินเนินที่เราทำอยู่เวลาเราต้องการใช้ความคิดเกี่ยวกับงาน เราก็เอาเรื่องงานมาคิดทำสติเิดให้มันจดจ้องลงให้มันชัดชัดเวลาทำํำทำสติอยู่กับงานเวลาเขียนหนังสือก็ทําสติอยู่กับสิ่งนั้นทําอะไรก็ทําสติกับสิ่งนั้นทําสติรูปเดี่ยวอันนี้คือการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เกิดพลังจิตมีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันในงานที่เราทําอยู่ โดยเอาเรื่องของชีวิตประจำวันเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องไหลลึกของสติเพราะฉะนั้นเจนใคร่ที่จะขอประมวลหลักการที่จะตึงเย็บเป็นแบบฉบับในการปฏิบัติไว้สามอย่างหนึ่งบริกรรมภาวนาอย่างที่เราปฏิบัติมาแล้วอะไรก็ได้สองการ ใช้สติปัญญาพิจารณาโดยวิตกเอาความรู้ที่เราเรียนมาหรือถ้าหอาว่าใครรู้เรื่องตายเรื่องใจมากๆเรื่องอภิธรรมมากๆจะวิตกเอาเรื่องอภิธรรมมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องเล็กของสติก็ได้ถ้าท่านคนใดไม่คล่องต่าเรื่องของธรรมะก็ <c oughs> อเอาวิชาการที่เราเรียนมาที่เรารู้มาที่คล่องๆแล้วนั้น มาเป็นอารมณ์พิจารณาในเบื้องต้นมันจะช่วยให้การพิจารณาของเราคล่งตัวขึ้นอันนี้เป็นขั้นแห่งการพิจารณาจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ก็ได้แล้วการที่สามการกำหนดรู้โดยที่เราตั้งใจกำหนดรู้ลงที่จิตทำจิตให้ว่างอยู่ชั่วขณะหนึ่ง โดยธรรมดาของจิตเมื่อเราตั้งใจกําหนดลงเราจะเกิดความว่างในเมื่อเกิดความว่างขึ้นมาแล้วเราก็กําหนดดูที่ความว่างในเมื่อจิตว่างอยู่สักพักหนึ่งความคิดย่อมเกิดขึ้นเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้ความคิดนั้นเพียงแต่สักว่ารู้อย่าไปช่วยมันคิด ความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นกำหนดรู้ยกตัวอย่างเช่นคิดถึงสีแดงก็อเพียมจะว่ารู้ว่าสีแดงไม่ต้องไปคิดว่าสีแดงคืออะไรถ้าอาว่าจิตมันคิดไปโดยอัตโนมัติต้องมันเราทำปฏิภาณเราทุกข์ระยะอย่าเหลือในธรรมเราเนี้จะเป็นอบายธรรให้จิตของเรารู้เท่าทันอารมณ์ สติตัวนี้จะตายเป็นมหาสติถ้าสติตายเป็นมหาสติจะสามารถจะพักเราคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ได้ไง่ายเมื่อสติตัวนี้เป็นมหาสติแล้วข้อมพลังขึ้นโดยการสุกฝนอบรมกลายเป็นสติสี เมือ่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินซีแล้วเขากระทบอะไรพัดจิตจะพนั้วพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมือ่อสติตัวนี้กลายเป็นสตินซีกันใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงซึ่งมนลักษณะใกล้กับว่าจิตของเราสามารถเ อ, เอาอารมณ์มาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้หรือเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้ ลสติตัวนี้เป็นใหญ่ย่อมมีอํานาจเหนืออารมณ์และสามารถใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ได้เมื่อเป็นชิ้นสัตวสติตัวนี้จะกลายเป็นสติสีจะกลายเป็นสติวิรยยิโยในเมื่อสติตัวนี้กลายเป็นสติวิรยยิโยสมาธิสติปัญญาของผู้ปฏิบัติมีสมรรถภาพาดียิ่งขึ้นอิทธิบงจะดิสัมปัญญเป็นสายสํามพัญสืบต่อกันตลอดเวลา แม้หลับลงตปแล้วจะรู้แต่ว่าตัวเองนอนไม่หลับพระสติไม่ขาดตอนสติตัวรู้หรือสติตัวรู้สึกสำนึกหรือสติอันเป็นปาการซึ่งเป็นสติวิญญาณเนี่ยมันจะคอยจดจ้องอยู่ที่จิตตลอดเวลาพออะไรเข้ามาทักมันจะฉกออกไปเหมือนตะปูเห่าฉกเยอะอย่างนั้น พากิ่งใดที่มันยังไม่รู้แท่งเห็นจริงมันจะเย็ดเอาไปแล้วติพิจริญดาวคนกลาจนรู้ความจริงถ้ามันรู้แล้วเราสัมผัสรู้ครับมันก็มันนิ่งเวลาเราจะทํางานทําการสิ่งหนึ่งสิ่งได้สติตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวรู้ปรากฏอยู่ในถํากลางแห่งโสมุออกส่วนที่ส่งกระแสออกไปทํางานมันก็ทํางานต้องมันอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อเป็นเพจนั้นเราสามารถที่จะเอาพลังแห่งสมาธิไปใช้ในงานพุกประเกงได้การทําสมาธิอันใดทำให้ท่านเบื่อต่อโลกต่อรบ ต, ตัวมันยังไม่ถูกต้องหรอกถ้าทำสมาธิมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงดีแล้วต้องสามารถเอาพลังของสมาธิไปสนับสนุนงานการที่เราทําอยู่ได้นักศึกษา ก็ต้องเอาพลังแห่งสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาคอยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ว่าวันแต่และ ว, วัน ว, วันเราไปเรียนหนังสือวันนี้อาจารย์ท่านสอนอะไรมาพอ่อจามาถึงที่พักเสร็จเวลาแล้วให้วิตกถึงวิชาที่เราเรียนมาในวันนั้นมาคิดทบทวนเป็นความควรความจา คิดไปคิดมาเล็ใไปเล็กมาอ ย, อย่างนั้นได้ตามตั้งใจของจารยกว่าทำให้นักศึกษาทั้งหลายที่มีความสนใจปฏิบัติอย่างนี้มีสมาธิแล้วะสามารถเรียนหนังสือเก่งกาสามารถจะยาสมาธิไปสนับสนุนการศึกษาและงานการที่เราทำอยู่บางท่านถึงกับเอาพลังของสมาธิไปช่วยสร้าง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อันนี้ถ้าหากในนักศึกษามาฟังอยูน่นี่ลองลองลองลองลอ ง, ลองพิจารณาดูลองปฏิบัติดูวันหนึ่งไปเรียนอะไรมาวิสุกถึงความรู้อนันตั้นคนาพิจารณาเป็นการพวนความจาทีนี้อย่างพ่อบาแม่เรือนทั้งหลายพ่อพานปุได้เกิดมีปัญหาครอบครัว เันอย่างพ่อบ้านแม่บ้านไม่ค่อยจะลงรอยกันมีมติขัดแย้งกันดูกก็ให้พยายามต่างปัญหาถามตัวเองว่าเรามีความบกพร่องอะไรยกตัวอย่างเช่นบางครั้งท่านอาจจะเปลอไปเที่ยวดุกดื่นเที่ยงตูนตีหนึ่งตีสองจับมาแม่บานพักโบโหดถูมาทำาย่างเช่งไปโล๊ะ ถ้าเดินาเดืดโทรแล้วท่านอยากเด้นไปโดี๋ให้ตั้งคัหาถามตัวเองก่อนว่าเราผิดออะไรถ้าเรามีสติยัดยั้งถามโทเองสักครั้หนึ่งเราจะได้ความรู้ใดความรู้สึ ก, ก่็เราผิดผิดต็เราไปเที่ยวดึกเกินไปอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาครอบคัวในชีวิตประจำวัน การปฏิบัติธรรมนี้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องการความรูคม้ความเห็นมาคุยอวด ก, กันให้เสียเวลาเราต้องการธรรมะอันที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันได้สามารถแก้ไขปัญหาหัวใจได้สามารถแก้ไขปัญหางานตามได้สามารถใช้พลังสมาธิไปสนับสนุนจิต ง, งานที่เราทําอยู่ได้ทุกสิ่ง จึงจะพิชเชว่าเป็นการฝึกสมาธิแล้วได้ผลคุ้มค่าแก่การเสียเวลาวันนี้ในกาวธรรมะเบ็เสร็จพอเป็นเพ่องเกิดเตือนใจของท่านผู้ฟังทัางหา่ก็เห็นว่าพอสมควรแต่การละเวลาในท้ายที่สุดนี้ด้วยนอกแห่งความตั้งใจดีในการที่จะศึกษาธรรมะปฏิบัติไห้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต รายการวันขอทุกท่านจงสำเร็จความปรารถนาตามที่ตั้งไว้โดยทั่วคนทุกท่านเถิดเวลาตอบปัญหานิดหน่อยคือว่านิดหน่อยก็จะว่าท่านผู้ฟังเสียงพูดแลพอจะสังเกตได้ว่าขณะนี้สุขภาพอยู่ในระดับไหจยิงขอใช้คำว่านิดหน่อย เวลาปฏิบัติอยู่มีความรู้สึกว่ามือที่วางอยู่บนตักนั้นเก่งอยากทะาว่าปฏิบัติถูกหรือไม่การปฏิบัตินั้นถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจรงเงินไปเกิดมีการข่มปราสาได้เก่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆซึ่งเป็นธรรมดาเมื่อจิตสงบลงไปสักนิดหน่อย ไอ้การตั้งจละอาศัยการตั้งใจแรงจนเกินไปนั่นจะทําให้มือไม้มันเก่งไปหมดเราจะนั่งทาาว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ทานแค่เขาจว่าถอนใจใหญ่สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปแล้วก็ตั้งต้นปฏิบัติใหม่อันนี้มันเป็นเหตุการณ์โลกเป็นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติ อันนี้มีปัญหาอีกว่า <c oughs> การปฏิบัติที่ใช้คำว่าภาวนาว่าพุทโธจะใช่ร้อมกับการเพ่งกสินเช่นสีเขียวเป็นต้นได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสนัดหรือความคล่องตัวของท่านผู้ใดการภาวนาเป็นการเน็ก ถึงคำพูดคำหนึ่งคือพุทธโธแต่ก่อนมองสีเขียวเส้นสีเขียวเป็นเรื่องของตาเป็นเรื่องของสายตาจะใช้ซ้อม ก, กันกับพุทธโธพุทธโธไปด้วยกระดาษไม่ขัดข้องแต่ว่าถ้าจะภาวนาพุทธโธแล้วลมหายใจควรจะคู่กับพุทธโธเป็นเหมาะที่สุดเพราะว่าเมื่อ ภาวนาพุทธก้มลมเข้าโทแก้มลมเ อ, อิดเต็มปกตินับภาวนาเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วคําภาวนาจะหายไปเมื่อคําภาวนาหายไปแล้วจิตจะได้เย็ดลมหายใจเป็นเครื่องรู้จะได้ตามลมเข้าไปสู่ความสงบอย่างละเอียดนิ่งจนถึงอัป น, นาสมาธิจะใช้ลมหายใจพร้อมนักพร้อมกับนึกกาหนดอานาปานสติ ลมหายใจกับอนาปานสติลมปลานลมปลานคือลมหายใจอนาปานสติก็คือลมหายใจเป็นอันเดียวกันอข้ อ, อที่สองนัสติบัตถ้าไปโกรธใครเขาเขา้า และไปทำหนิเขาไปเพ่งโทษเขาไปเนกกว่าเขาเลวและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมเหล่านี้จะมีโทษหรือไม่ถ้าการว่าการตันิถ้าเป็นการติเพื่อสอไม่มีโทษถ้าตันิด้วยความหวังดี แต่ถ้าไปกล่าวติเตียนยกโทษให้เสียชื่อเสียงเป็นการทำลายแล้วก็มีโทษข้อที่สามคนแก่เวลาปฏิบัติไม่สามารถนั่งคู่กันลังได้ น, นานๆต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปบ่อย <c oughs> สมาธิเป็นกิริยาของใจเราจะตั้งหนดจิตในท่าไหนได้ ถ้านั่งนานมันเมื่อยก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียอย่าไปทรมานร่างกายเราจะทำสมาธิในท่ายืนเดินนั่งนอนได้ทั้งนั้นกายนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรฝืนก็ฝืนมากนักให้โ่ารู้สึกปวดเมื่อยก็เปลี่ยนซะไม่ผิด ปัญหาต่อไปเมื่อรับศีนจากพระไปแล้วไปกระทาผิดศีนเข้ามีทั้งเจตนามัาง่งหรือไม่เจตนาม้างอย่างนี้จะเป็นบาปกรรมมากกว่าการที่ไม่ได้มารับสินจอกพระไปแล้วกระทาผิดสีนหรือไม่การรับสินไปแล้วทา ทำผิดตั้งถูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เจตนา <c oughs> เป็นแต่เพียงขาดการสังรวมขาดสติทำให้ศีลเ่ร้าหมองในใจ <c oughs> ที่นี้การที่มารับศีลและรักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องบ้าง หาอกอดเีบ็บเครียดแบบ น, นันๆกันกับว่าผู้ที่มีเสื้อใส่แต่เป็นเสื้อขาดก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีเสื้อจะใส่ซสีเลยการสมาทานศีลนี่ถึงแม้ว่าจะขาดตกบกพร่องบ้างก็ยังดี อันนั้นเป็นเรื่องวิสัยธรรมดาของกุตูชนพยจยามีการบล็กคลองบ้า ง, างในเมื่อเราฝึกไปจนคล่องตัวแล้วมันก็สมบูรณ์ไปเองดีกว่าไม่ทําเลยข้อที่สองผู้ที่สมทานศีลแปดแล้วไปต่อไข่ทำกับข้าวจะกิดศีลหรือไม่เอออันนี้เพราะว่าไข่สมัยนี้ไข่ที่ฟัดเป็นตัวก็มีไม่เป็นตัวก็มี แต่ถ้าไข่ที่เขาทำลายโดยหลักวิทยาศาสตร์ของเขาแล้วซึ่งมันจะไม่พักออกมาเป็นตัวก็ไม่ผิดศีลแต่ถ้าไข่นั้นมันยังจะเป็นตัวอยู่ไป ต, ต่อยเขามันก็ผิดผิดศีลขอสามคำว่าสี ล, ลพัฏฐะปรามานั้นหมายความว่าอย่างไรตอดูดาอธิบายสีลพัฏฐะปรามา ท่านพีท่านบังแห่งท่านเขียนไว้ว่าการปฏิบัติอะไรรูปรูปคำคำไม่แน่นอนท่านว่าอย่างนั้นสีและภาษาประมาทหมตามความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปหมายถึงการปฏิบัติอะไรแล้ว มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเืตุว่าสิ่งนั้นดีวิเศษเช่นอย่างผู้ที่ปฏิบัติขอ้อวัดบางอย่างเช่นทุ ด, ดงคข้วัดก็ไปเคดดร่งตั้งแต่ทุดงคข้วัดเคร่งจนเป็นอุปาทานสมาทานศีลก็จนเป็นอุปาทาน ทำบุให้ทานก็จนเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งนั้นทำวามเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> สิ่งใดที่เราทำด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเอาจริงเอาจังิงจนกระทั่งเป็นข้อผูกมัดตัวเองจนกระดิกตัวไม่ได้กระดิกไปทางไหนก็กลัวจ ะ, จะผิดศีลผิดธรรมอะไรทำนองนี้อันนี้อยู่ในลนักษณะแห่งสีรับปะอารมา <c oughs> ข้อสีขอ่ข้ามมาเทวบุตรมารเป็นอย่างไรมีบางท่านว่าเป็นเทวดาที่คอยแกล้งผู้ที่ทําความดีจริงหรือไม่เออไทยชาว่าก่านโดยบุคลาทิฐานแล้วก็เทวบุตรมารก็หมายถึงเทวดาที่คอยมาหลอกกันเอาในปัจจุบันนี้เทวบุตรมารเนี่ยมีเยอะ เช่นอย่างรักภาวนาไปแล้วพอจิตจะเข้าที่รวมเป็นธรรมะที่ที่ถูกต้องแล้วแต่เดี๋ยวก็มีพระบางละมีผู้ยิ่งใหญ่บางละมีเจ้านโน่นเจ้านี่บังละเป็นวิญญาณมาบอกการทำอย่างนั้นไม่ถูกไม่ถูกไม่ถู ก, ถกจะทำลยอะไรทำาหน่นี้อันนี้แหละคือเทวบุตรมันทีนี้ใครจะว่าโดยกิเลสที่มันมีอยู่ในตัวของเราเนี้ย เราต้องใจงว่าจะทำสมาธิภาวนาในวันนี้เลยอ้าวพอทาไปทําไปก็จะได้สบายแล้วความคิดอันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาโอ้ยหยุดดีกว่าไม่ต้องทำอะไรทำนองนี่หมายถึงความคิดที่คอกระตุน้นเตือนให้เราหยุดพักการกระทำนั้นในลักษณะแห่งความขี้เกียจข้อแท้เป็นเรื่องของเทวบุตรมันเครื่องรางของสังเวยวู่มงคล าการจมน้ำมนการเป่าหัวการเจมิมหรือการสักยันสตรีมงกุฎในศั์สิทธิ์ทั้งหลายมีความจริงหรือไม่ก็เ ห, หตุใดไอเรื่องที่คำถามที่ถามมานี่เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์นี่มันเป็นสิ่งที่แฝงมาด้วยกันความจริงของไสยศาสตร์ เขาจะมีอยู่ความขั้นตอนของเขาแต่มันเป็นความจริงไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่ในขั้นอมตะความเป็นจริงของสิ่งที่เป็นมงคลหรือน้ำมนหรือของแข็งศักด์สิิ์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะสังสักดิ์สิธอยู่ได้ชั่วงระยะเวลาที่เรามีความเชื่อมัน่นถ้าเูาใช้ขาดการเชื่อมัน่นสิ่งมงคลเหล่านั้นก็ไม่มีความหมายอะไรและ ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ครั้งสัตยเส็จช่วยได้มันก็เป็นบางครั้งบางฝ่ายไม่แน่นอนใครจะแนั้นท้าพุทธเจ้าธนวัฒปฏิบัติทีปฏิบัติชอบไร้ชั่วเหลือเพื่อตีทำจิตให้บริสุทธดสะอาดนี่เป็นมงคลอันอมตะไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ใครทําได้ทีนี้มงคลอันเช่นน้ำมนต์เป่าหัวทั้งหลายเหล่านี้เจออะไรมุลนี่มันเป็นมงคลชนิดที่เราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น ในแม่ผู้อื่นเขาไจเขาไม่พอใจแล้วเขาไม่ช่วยเราก็หมดท่าเรจะแน้นทุกคนควรจะได้สแสวงหาที่พึ่งกับตัวเองด้วยการปฏิบัติตีปฏิบัติชอบทีนี้การทำสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ถามเนี่ยเช่นอย่างกอนทำวงคลหรืออะไรบางที่ว่าเนี่ยเป็นการผิดไหมเป็นการงมงายไหม อันนี้สิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่สิ่งนั้นเป็นเรื่องงมงายหมดแม้แต่การปฏิบัติสมถะรมฐารวิปัสนาสมถานี่ยถ้าปฏิบัติด้วยอุปาทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยากเป็นผู้ดีพิเศษอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องของความงมงายหมดที่นี้เรื่องวัตถุมงคลต่างๆการต้มลำบนการเปล่าหัวการอะไรเหล่านี้ มันเป็นการให้กำลังใจกันตามความนิยมของสังคมแต่ถ้าพูดถึงขั้นประมรัตแล้วไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเราจะนั่นการเข้าใจธรรมะนี่เราต้องเข้าใจเป็นสองขั้นตอนขั้นโลกียาธรรมขั้นโลกุตตะะธรรมขั้นโลกียาธรรมนี่ยะมีอัตตาโวตนมีสมมติบัญญัติมีผู้ชายมีผู้หญิงมีเรามีเขา มีทรัพย์สมบัติมีผู้ถือธรรมสิทธิอันนี้เรื่องของโลกีเราปฏิเสธให้ได้แต่ว่าถ้าจิตของเราขึ้นไปอยู่ขั้นโลกุตละไปถึงในระดับเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่ความเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไเฉยเนี่ยอยงในท้ายธรรมสัจธรรมวัตรนอสูตรที่พระนัญญากรณัญญารู้ธรรมเห็นธรรมถ้ารวามจิตไปสัมผัสถึงขั้นนี้แล้ว ธรรมะอาตาตัวตนผู้ชายผู้หญิงไม่มีไม่มีสมมติไม่มีบรรัญญัติไม่มีเราไม่มีเขามีแต่สัจธรรมความจริงปารากฏอยู่เท่านั้นทีนี้ในขณะที่ท่นานอัญญากรณ์ัญยะโลโลโลโลโลสิ่งใ ด, ดสิ่งหนึ่งเกิดเส้นดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นจิตอยู่ในสมาธิอย่า ง, นงแน่แน่ในขณะนั้นท่านัญญากรณ์ัญยะไม่ติดต่อจำพันกับโลกภายนอก มีความรู้สึกเฉพาะใครในจิตยอย่างเดียวเลสิ่งที่ท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเติดขึ้นเป็นธรรมธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานั้นเป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญิมีแต่สัจธรรมความจริงแต่เมื่อท่านอนยากลนทัญญาได้บวชแล้วก็ปรากฏว่าท่านอนยาโกลนทัญญะต้องถือบาตรไปดินสะบาตรญาติโย นี่สอแสดงให้เห็นว่าในขณะที่จิตอยู่ในขั้นภูมิของโลกุตตะละท่านไม่สัมผัสกับใครเลยแต่เมื่อท่จะทำธุลกิจจากชาวโลกนี่เอาเรื่องของชาวโลกเข้ามา ท, าทันทีเพราะอะไรเพราะเงินจะถั่งของท่านก็เป็นของโลกยังจะต้องอาศัยปัจจัยสี่จาก้ากจากโยม เพราะฉะนั้นในเมื่อท่านหวนกลับมาสัมผัสกับโลกแนละ้วจึงมีสมมติบรรดัตยอมรับสป้าชั้นอนัญญาโกลทัญญะนะชั้นหนึ่งในจํานวนพิโสบเบนกวระคีนะช่านเป็นโลกเสร็จของพระพุทธเจ้านะอันนี้คือสมมติบรญญัติที่ท่านจะยอมรับเพราะฉะนั้นส่องรู่ทำนี่ส่องลู่สองฝั่งสองโลคีกับส่งโลกุเตละทำความเข้าใจให้ดี สัมภเวสีหมายถึงผู้สแสวงหาที่เกิดสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปมาไปเข้าขันคนโน้นขันคนนี้มันโตเต็มไปหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีทีนี้ภูมิหนึ่งในบรรดาสามสิบเอ็ดภูมิสัมภเวสีนี่ก็เป็นภู ม, มิอหนึ่งในบรรดาที่หลายหลายภูมิซึ่งหลายกว่าสามสิบเอ็ดภูมิ อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับภพอบภูมิของวิญญาณที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏะ <c oughs> อ่รที่ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรอันนี้เป็นความรู้เรื่องอมหาสติปัฏฐานสี่ เกี่ยวกับการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเห็นกายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเื่อว่าเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราขาถ้าไปเห็นกายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล ก็ไม่ใช่เห็นกายในกายไปเห็นกายในสัตว์ในบุคคลทีนี้ผลรับธ์ของการพิจรารณาพิจารณาตายเนี่ยท่านสอนให้พิจรารณาตายให้เห็นสัตว์แต่ว่าเป็นตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อจิตเห็นจริงลงไปเลยยอมรับสภาพความจริงว่ากายสัตว์แต่ว่าตายเรียกว่าเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนาก็เหมือนกันเวทนาสัตว์ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจตก็เป็นแต่เพียงสัตว์แต่ว่าเจตคือความรู้สึกไม่เคล็ไม่ใช่สัตว์บุคคลัวตนเราเขาทำก็สัตว์แต่ว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลัวตนเราเขาได้แต่เห็นทำในทำทีนี้ข้อที่สองเมื่อจิตที่อู่ีสิ่งใดความสุขมีอยู่บ่อยๆก็ ฉันไม่อยากถอนออกจากสมาธิจะไมอ่อุบายแก้ไขอย่างไรในขั้นนี้ยังไม่ต้องการอยากจะให้ใช้อุบายแก้ไขเพราะจิตที่มีปีตีและมีความสุขตามที่ท่านว่าเนี้ยยังไม่มั่นคงเพียงพอให้พยายามฝึกให้มีปีตีมีความสุขถ้ามันอยู่ในขั้นจิละวาได้ฌานสมาบัต อันนี้เป็นเป็นความรู้สึกสัมผัสเปลียนนี่ต่อแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอะไรทำนองนี้นำเนินให้จิตมันมีความสงบมีปีติมีความสุขบ่อยๆเข้ามันจะได้เกิดความชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วถ้าจะอยากจะให้จิตมันมีสมภาพเปลี่ยนแปลงให้ใคอยต้องเวลาจิตถอนออกจากสมาธิ ในเมื่อหมดปติหมดความสุขในสมาธิแล้วเกิดความคิดขึ้นมาทำสติตามรู้ความคิดนั้นหรือจะหาอะไรมาพิจารณาก็ได้เพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันรู้จกากการพิจรารณาสอมเวลานั่งสมาธิใน เ, เดินจงกลมจะลงสู่ความสงบแล้วมีนิมิตเสียงดังมากเชียงดังเปรี้งเหมือนฟ้าผ่าหรือดังกล้องมาแต่ก็มีสติรู้ ไม่ตกใจถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นคล้อยถือว่าสิ่งนั้นคือเครื่องรู้ของจิตเครื่องรล่นเล็กของสติจะเป็นสีแสงเสียงหรือรูปในเม็ดอะไรต่างๆก็ตามให้ถือเป็นเพียงเครื่องรู้ของจิตเครื่องรล่นเล็กของสติประคองจิตทันสติไว้ให้ดีและผลดีจะเกิดขึ้อนอย่าไปตกใจหรืออย่าไปแปลกใจกับสิ่งเหล่านั้น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 มันต้องการจะค้นคิดพิจรารณาก็ mm. าให้มันค้นคิดพิจรารณาอย่าไปขัด mm. โดยเว่าอย่างยิ่งเวลาบางทีมันอาจจะเกิดสง บ, งบงจจขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าไปฝืนบางทีมันอาจเกิดความรู้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดความรู้ก็อย่าไปฝืนปล่อยมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติกนดตามรู้เท่านั้น พอมาเมื่อทำสมาทิแล้วจิตไม่ค่อยสงบมักจะน้อยใจคิดว่าตนเองไม่มีวัดสน า, ามอริยมอยจะไปคิดงนัันสิในเมื่อจิตไม่สงบก็ทำเรื่อยไปทำา่ติรู้และพิจารณาว่ามันไม่สงบเพราะอะไรคอแก้ไขและพาเพียนพยายามทำให้มากๆเข่าเดี๋ยวมันก็เกิดความสงบขึ้นมาเองน้าปวดยิงแม่ชี มีติทิ์บินบาทเหมือนข้าได้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ความสมัติใจถ้าใครอยากจะบินบาทก็บินได้ที่วัดสายพระละวันก็มีชีพระขาวผู้ชายผู้หนึ่งบินบาทจนตามหลังข้าเขาก็ใส่บาทจนเต็มเหมือนกันแลก็เกิดการสวดการสวดเพื่อต่ออายุหรือทำบิตีต่ออายุนั้น ทำแล้วสามารถจะต่ออายุได้จริงหรือไม่อันนี้ทําแล้วก็สามารถต่ออายุได้จริงบางทีคนเป็นลมมาเกิดจะชอบตายในขณะนั้นมีใครสักคนหนึ่งไปกรอบใจได้ใจดีขึ้นมาก็ต่ออายุไปได้เป็ น, นอุบายวิธีให้กำลังใจกันแต่ว่าการต่ออายุเคยมีตัวอย่างนี่ อายุวัฒนะคุ ม, มารที่มีอยู่ในพระกายพิดุกที่เราเอาบทสวดมาสวดในสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะตมานุภาเวนะเนี่ยก็จากเรื่องอายุวัฒนะคุ ม, มารทีนี่มีใครพระพุทธเจ้าพิจารณารู้ว่าอายุวัฒนะคุ ม, มานจะสิ้นชีวิตโดยยักจะมาจับไปกคคินภายในเจ็ดวัน และองค์กรงเมตต์ทรงพระเมตตาก็พาพระพิสุสงไปสวดมนต์ต่องันยักษ์เสแล้วยักก็ไม่มีโอกาสที่จะมาจาับปุมานน้อยไปกินเป็นอาหารเมื่อซึ่งกั้หนดแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะมาจาับปุมานไปกินเป็นอาหารก็เป็นว่าปุมานพ้นจากควารตายจึงได้ต้องชื่อใหม่ว่าอายุวัฒนะกุมาน <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการต่ออายุเราก็ได้ตัวยอย่างมาจาัดนั่นแหละก็เลยมาถือกันผู้เฒ่าผู้แก่เจ็บป่วยก็ทำวิธีต่ออายุเพื่อให้อายุมั่นขันยืนเป็นวามปลอบใจกับส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นอเอาไปทุจริน า, นานดูเอาเองอจต่มาก็ไม่กล้ายืนจัน แต่ว่าสําเร็จในทางการให้กําลังใจกันนี่สําเร็จแน่คือ ท, ทำให้ใจดีขึ้นทรสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุโทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกําหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คาว่าพุโทโธหรือทําเป็นจิตูลไว้ตรงหน้าเฉยเฉยหรือตามลมหายใจพุโทโธแปลว่าูรู้ พุทโธแปลว่าผู้ปิมพุทโธแปลว่าผู้เปิดปัจจการภาวนาพุทโธเอารู้คือดพุทธไปไว้กับคําพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคําพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกจำเนตไปไว้ที่พุทโธแปลว่าเอาพุทโธไปไว้กับคําว่าพุทโธ ทีนี้เวลาเราภาวนาพุทโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้แทนจะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไหนไม่ตั้งใจจะไว้ที่ไหนเราก็กําหนดรูล้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้นการรู้สึกสถาบารู้คือพุทธะผู้รู้เราจะเอาคาว่าพุทโธไปไว้กับสภาวะรุผู้รู้ พร้อมจำเล็กโพโตโพโต้โพโตโพโต้คำแรกโพโตไม่ใช <"S 2> ่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทำสติให้โลอยู่กับโพโต้การทาสตินั้นคือตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้มันไม่ถึงคําพู้ว่าโพโต้เอาโพโตไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่โพโต้ บางท่านก็บอกว่าเอาจิตไล่พัดลมหายใจเข้าหายใจออกพดปลอมกับลมเขา้าโูดปลอมกับลมออกบางท่านจะสอนให้กําหนดรูที่ปลายจมูกตรงที่ลมผานเขา้าผ่านออกแล้วจะนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกับจิตของท่านผูใ้ใดถ้าหากว่ า, ากําหนดบริการเอาเวลาพุโทโธถ้าเรากําหนดปลอม พอดพ่อมลมเข้าพ่ตพ่อมลมออกจังหวะมันยังผ่านอยู่จิตจะส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเสียแล้วนิ่พุโตรพุโตรพุโตรพุโตให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่องว่าจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้